ในคราวเมื่อท่านเจ้าคุณสาธนะโสพลและคณะมอมหลวงกิติมาพักเมื่อวันที่8มิถุนายนพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโน ม, นมน่ เป็นสมัดอันล้นข่ายิ่งกว่าสมบัติใดในโลกกาพิจาราจึงแจกได้ว่ากิจโวมันุษย์สัตลาโภไม่ได้สนจับอย่างอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่ามนุษย์นั่นจึงได้แจกเรื่องของมนุษย์นี่ว่า เป็นสิ่นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆด้วยแม้คาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกบทผู้บัตก็เพื่อจะเสริมมนุษย์ของเราให้มีคุณค่ายิ่งสมความเป็นมนุษย์ที่โรงท่านได้ตรัวเมื่ามนุษย์นี้เป็นราบอันประเสริฐราบใดไม่เหมือนกับราบความเป็นมนุษย์ ตรวท่านนักปฏิบัติได้ทราบถึงความสำคัญของมนุษย์คือเราแต่ละท่านละท่านมีเป็นความสมบูรณ์แล้วในความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอัตภาพร่างกายไม่มีส่วนใดบกพร่องมีทารียกว่าสมบัติอันร่นคา พยายามรักษาสมบัตรตนีและเสริมสมบัติงนีให้มีความสน่า ง, งามด้วยความประพฤติต่างกายวาจาใ จ, ใจเมื่อได้เสริมให้มีกำลังเต็มที่แล้ว ความที่ว่ามนุษย์เป็นของมีคุณค่านั้นจะแสดงคุณสมบัติออกมาจากความเป็นของมีคุณค่าของตนทั้งตัวเองก็หาที่ตําหนดตัวเองไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าแล้วไม่ว่าจะตกไปอยู่ในที่ใดๆย่อมเป็นสิ่งที่สนใจแก่โลกไม่เคยจีจางตลอดมา ดังนั้นความว่าความดีนี้จึงเป็นสิ่งที่โลกต้องการลุกยุบ ท, ท, ทุกสมัยและความดีใดจะเสมอเลยความดีที่มนุษย์ของเราซึ่งเป็นผู้มีคุณค่าจะสั่งสมความดีให้มีขึ้นภายในตนมีเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องสนใจ ให้ดีจุดสําคัญของความเป็นมนุษย์และความดีประจํามนุษย์ของเราศาสนากับเราผู้ต้องการความเป็นผู้มีคุณค่าจึงแยกกันไม่ออกพระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมือเป็นการเสริมเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไป กะยัและการปฏิบัติตัวจะเป็นความยากลำบากบ้างเป็นธรรมดาของผู้มีงานกระทำประจำต้นเพื่อความดีงามจิงไม่ถือว่าเป็นข้อหนักใจนี่เป็นถิ่งห้่ขอเถือการส่งเสริมตนเพื่อความดียิ่งขึ้นไปนั้นเป็นหน้าที่ของ มนุษย์เราผู้มีใจสูงจะพึงสนใจเสมอส่วนใดบกพร่องก็พยายามดัดแปลงและซ่อมแซมส่วนบกพร่องนั้นให้ดีขึ้นเป็นอย่างยืนเดินนั่งนอนให้พยายามซ่อมแซมตัวของมัน ระมัดระวังสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราอยากให้บอกล่องและพยายามส่ะแสวงสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ก้าวหน้าขึ้นไปยังนนความเปลี่ยนทุกประโยชน์เพื่อหรือเป็นเหมือนยาบำรุงถาก เฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือมนุธาต์เวลานี้มนุธาต์ขาดอาหารที่ถูกต้องจิงแสดงความลำสังสาสายปรากฏเป็นโรคในจิตใจประจำทั้งๆ ท, ที่เราก็เป็นนังบวชแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคประเภทใดนี่คือธาคที่ขาดอาหารได้แก่ธรรมะอันถูกต้อง จึงหาความสงบสุขไม่ได้การปฏิบัติตนหรือการประกอบความเพียรทุกๆประโยคเป็นเหมือนกับเรารับทานยาบำรุงธาตุโรคเมื่อถูกกับยาแล้วก็ยอมระงับลงไปเป็นขั้นขันเมื่อหายสนิทดีแล้วใจก็เรียกว่าหายจากโ ร, โรค ไม่มีโรคเรื้อรังแต่จำใจพระพุทธเจ้าท่านกล่าไว้ว่าธรรมโอสถนั้นนำไปใช้ได้ทั้งทั้งภายนอกนำเข้ามาใช้ได้ทั้งทั้งภายในแต่พ่ออย่างยิ่งธรรมโอสถเกี่ยวกับเ่องมโนธาตุเป็นสิ่งสำคัญมากเราท่านทั้งห้าที่ปฏิบัติตนอยู่ ด้วยความอุตสาพพยายาและที่สามาจากสถานที่ต่างๆทั้งไกลและใกล้สละทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองสละทั้งเบลาเวลาสละทั้งความเป็นความตายสลัทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก็เพื่อธรรมโอสฐ์จะบำรุงจิตใจของเรา ใจที่เป็นโรคเราก็ขอจะทราบนะโรคของใจอันหมายถึงกิเลสอาสะวะธรรมโอสถตรไดแ้แก่ยาและต้องที่จะแก้โรคประเภทนั้นนั้นให้หายไปเป็นำลำดับดหลหดับด้วยประโยคแห่งความเพียนที่เียกว่าเป็นการรับถางของสแสลงโกด หาอากันละมัดระวังรูปเสียงสิ่งลดเครื่องสัมผัสจัดว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือนั่งบวชอย่ททาความคุ้นเคยสนิทติดจมอยู่กับสิ่งที่แก่าดงนีจะเป็นเครื่องแสลงต่อโรคภายในใจของเราเพราะปกติของุคคลที่เป็นไข้ไม่ว่าเป็นไข้ประเภทใด ยอมจะชอบของสแสลงเป็นธรรมดาแต่ยานั้นรู้สิกจะไม่ปล่อยสนใจเข้าไรนักฉะนั้นโรคกับยาจึงไม่ค่อยทันกันใจที่มีความกำเริบพุ่งเฟอ้อเหอื่อหืมบ่อยๆก็เนื่องจากว่าได้รับของสแสวงทั้งสาะแสวงหามาทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแล้วมีความชอบใจเกิลกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับใจถอดถอนกันไม่ไม่ออกยกไม่ขึ้น เนื่องจากของแสดงมันทับผมจะท้องวันตั้งคืนดินรนนั่งนอนยาที่จะเข้าไปแก้ของแสดงนั้นมีจำนวนเพีย ง, งนิดเดียวเมื่อเป็นขนานกาลังของยากับกําลังของโรคจิงไม่ทันกันโรคจิงมีแต่เวลา เ, เวลาที่เด็กกำลรงท่าเดียวเมื่อยา ก, กับโรคทันกันถื่เสมอสเสมอแล้วโรคก่นหน้าัน สงไปสงบลงไปท่านผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ลดละและมีความขยันมากมีความจดจอ่อมองดูเรื่องของโรคหัวใจของตนอยู่เสมอยอมจะมีวันได้รับความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของธรรมโอรส มีความเปลี่ยนเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิมีเป็นยาระงับโรคโรคประเภทมีขั้นต้นศีลเป็นภาค พ, พื้นเป็นรั้ว ก, กั้นโรคประเภทที่อยากจะล่วงไหลเข้ามามีศีลเป็นรั้ว ก, กั้น ศีลเป็นรั่วกั้นแล้วจิตใจไม่สงบหาช่องที่จะออกท่านจึงนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับภายในเรียกว่ารัวภายในมีสติระมัดระวังรักษาจิตใจทั้งบนภาวนานำธรรมะบทใดบทหนึง่งเข้ามาเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจซึ่งเป็นตัวขนองสํำขัญ เป็นกำหนดอนาปานนัสติเป็นตน้นมีกวาชื่ออุปมาเหมือนกันกับว่าเชื่อสำหรับผูกมัดจิตใจตัวขนองหรือจะเรียกว่าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจก็น่าโดยมากใจที่มีทำเป็นเครื่องยึดย่อมจะหาสิ่งที่เป็นของสแสดงมายึดและมาพบผลตึงเองเสมอ น, นการกำหนดวิภาวนาด้วยบทธรรมจึงชื่อว่ามีที่ยึดมีหลักนี้แลง่งใจมีอารมณ์อันเดียวเมื่อทำกับสิ่งใดหรือประกอบสิ่งใดอยู่ย่อมมีความรู้สึกเฉพาะสิ่งนั้นความเมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียวได้เกี่ยวกับบทธรรมอยู่ไม่ขาดวักขาดตอนมีสติเป็นเพื่อนกำกับรักษาแล้วย่อมจะยังเข้าถู่ความสงบ คันว่าจิตอยู่ใจรวมใจรวมกระแสของตนเข้ามาเรียกว่าใจรวมจิตอยู่เมื่อจิตรวมกระแสใจรวมกระแสเข้ามาถึงตัวจิตแล้วจิตก็อยู่เห็นความรู้สึกของตนเองได้แต่จิตแบบนี้อย่างเด่นชัดมีทันเดียวจิตอยู่หรือจิตสงบ นั่นแหละโรคระงับความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงทั้งหลายที่เกี่ยวกับความคิดจะเป็นฝ่ายอาดีตอนาคตมาปรากฏเป็นความสงบู่ออในปัจจุบันคืออำนาจแห่งการภาวนามีโรคระงัเดียวระงับไปพักนี่แล้เมื่อโรคระงับไปใจก็สบายาะ ได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเช่นนี้ยอมเป็นสักขีพยานในการที่จะบำเพ็ญต่อไปให้ยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกความสงบขนาดนี้ก็เป็นที่พึงพอใจในขั้นแรกแต่ยังไม่เป็นที่พอใจในขั้นต่อไปผู้หวังความก้าวหน้าและหวังความเจริญความสุขอัยอนยิ่งยวดเข้าไปกว่านี้ย่อมจะเริ่มความเพียรข้างผ้เข้าไปเป็นลำหนักลำหนักจนปรากฏเห็นจิตมีความสงบ อยู่ได้เป็นเวลาลันนานแม้จะถอนตัวออกมาแล้วก็ทรงความสงบเยือกเย็นจิตใจไว้หากจะมีความคิดก็คิดไปตามเรื่องของของทำไม่มได้คิดเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหินดังที่เคยเป็นมาหรือเรียกว่าจิต ด, ดีใจเรื่อเราจะเห็นเราเป็นของมีคุณค่าหรือใจมีคุณค่าก็เริ่มจะเห็นในระยะนนในระยะที่กิต มีความสงบทรงตัวอยู่ด้วยความรู้เฉพาะตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นสิ่งใดในเวลาเช่นนั้นท่านเยังไงเอกคตาถึงความเป็นหนึ่งคือไม่มีสองกับอารมณ์หนึ่งอยู่กับความรู้เท่านั้นอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันแน่ที่สุดบทภาวนาจะเป็นบทใดก็าตาม ก็ยางฮดกันในเวลาเช่นนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาแล้วค่อยนำทาบทนั้นๆนที่ตนเคยบมเพงเข้ามากํากําไว้อีกเพื่อให้ยิตเป็นที่ยึดหรือเป็นหลักใจแล้วทาสติของตนให้จดจ่ออยู่กับบทธรรมนั้นได้เมื่อ ได้รับการสนับสนุนด้วยการบังคับไม่ส่งออกภายนอกแต่ให้อยู่กับบทธรรมดังที่กล่าวนี้ก็ย่อมจะเข้าสู่ความสงบได้อีกเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วนี่จะไม่ได้กำหนดบทธรรมบทใดก็าตามเพียงแต่กำหนดความรู้ที่ปรากฏเป็นจุดเด่นดวงขึ้นมาตามกำลังของสมาธิขั้นใดแล้ว ก็ลงได้เช่นเดียวกับเราบริกรรมยังมีทางลงได้ง่ายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะความชำนาญที่เคยเป็นมาแล้วมีก็เป็นทำประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมโอสถระงับโรคภายในใจของเราที่เป็นความเพ้ยง่าบให้กลายเป็นใจสงบ สงบอยู่ด้วยสงบเยือกเย็นทั้งที่มีงานทำคือคิดคือปรุงได้อยู่ด้วยเรื่องของสมาธิไม่ใช่จะมีความอยู่ตัวในเพียงที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นยังจะเปลี่ยนสภาพแห่งความละเอียดของคนไปเรื่อย เมื่อถอนออกมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพคือความสงบมากเข้าไปเป็นน้ำหนักอันดับต่อจากนั้นเราจะใช้อุบายวิธีต่างๆที่เรียกว่าปัญญาคขกควนดูตามหลักความจริงที่มีอยู่รอบตัวของเหล่านี้ ได้เพราะใจที่มีสมาธิเป็นเครื่องอบรมย่อมเป็นจิตไม่หิงวหวยจะพิจารณาสิ่งใดทำหน้าที่การงานอันใดย่อมเป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับบุคคลที่มีกำลังธาตขันสมบูรณ์บริบูรณ์และไม่หิ้วหวยอาหารใดๆทำอะไรก็ทำดี คนที่มีความหิหวโหยเป็นเครื่องมังคับแม้จะทํางานใดๆก็ย่อมไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยความเรียบร้อยเพราะความหิหวโหยเป็นเครื่องมังคับให้รีบให้ด่วนและทําให้ใจเดือดร้อนบุบมาไปด้วยเพราะความหิหวโหยเป็นมีกําลังมากกว่ามีจิตใจที่มีความพุ่งเบ้อเหมเป็นเจ้าเรือนย่อมมีความหิหวโหยกับอารมณ์ต่างๆจะพิจารณาทางด้านปัญญาดูความจริงก็กลายเป็นเรื่องปลอมไปเสีย ตามธรรมช า, าติของสิ่งที่มีอยู่ในส่วนร่างกายของเราทั้งจิตเป็นส่วนรูปส่วนนามธรรมย่อมทรงความจริงของตนไว้เสมอมาแต่เพราะจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นพิจารณาจริงใดจริงราดเป็นของปลอมกันหนดผลที่จะพึงได้รับข้อปครองคือเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นความร่มเย็นเป็นสุข นั่นท่านจึงสอนให้พิจรารณาให้ถึงหลักความจริงน่าเริ่มแรกตั้งแต่หลักความจริงของอาการจะเป็นอาการใดก็ตามในส่วนร่างกายให้เห็นตามหลักของอาการนั้นๆอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากยิ่งกว่าหลักความจริงนั้นไปนอกจากจะพิจรารณาให้เห็นตามหลักความจริงในส่วนร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่บ้าง กำหนดเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังเริ่มดูตั้งแต่ผิวเข้าไปให้เห็นเป็นความจริงดูเข้าไปข้างในความจริงของเขาแล้วคืออะไรนี่เราก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายไปมากย่อมจะทราบสิ่งที่มีความสะอาดดีในร่างกายในร่างกายของเรานี่ หนาก็ไม่เท่าใบหลังและนอกจากนั้นยังมีอะไรซึ่งเป็นมูลปิดอยู่กับผิวนั่นอีกเราจะหาเอาความสะอาดอย่างแท้จริงแล้วในส่วนร่างกายของเราหมดทุกส่วนจะไม่เจออเป็นความจริงอยู่ด้วยสิ่งที่สกตะกอโคบมทมตงนนี่ราละความจริงเป็นอย่างนี้ ปัญญาอย่างลงไปให้เห็นครับแล้จะแยกออกเป็นส่วนๆก็แยกไปตามโอกาสที่เราได้พิจารณาทางปัญญาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเมื่อเห็นส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นเหตุให้กระจายถึงส่วนอื่นทั่วไปหมดในส่วนอย่างร่างกายเพราะไม่มีสิ่งใดจะแปรปลอมจากกันไปโดยความเป็นของปฏิกูลคนโดยความเป็น ธาตุก็ดีหรือโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ดีโดยความเป็นทุกข์ก็ดีโดยความเป็นอาตาก็ดีมีส่วนเสมอภาคกันไปนหมดไม่ว่าอาการส่วนย่อยส่วนให่เป็นสิ่งที่เส ม, มอภาคกันด้วยความจริงตามที่กล่าวมานี้ทั้งนั้ น, นเมื่อปัญญาได้อย่างลงตามความจริงอย่างนี้โดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกว่าปัญญาเห็นชอบ แล้วจะมีสิ่งใดเล่ามาขัดแย้งจิตใจให้เกิดความขัดห้องยุ่งเหยิงให้เกิดความพอพันหรือก่อทุกข์ต่จองด้วยปัญญาที่ฉอดนี้จะไม่มีนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวชอบท่านกล่าวไว้อย่างนี้กล่าวตามหลักความจริงไม่ปลอมไม่แป่งไม่หาสิ่งใดมาเพิ่มและไม่หยิบยกออกจากความจริงให้บกพ่องไปความจริงมีอยู่เท่าไหร่ รัดลงตามหลักความจริงผู้พิจารณาต้องพิจารณาให้รู้ตามหลักความจริงส่วนย้อยส่วนใหญ่ส่วนไหนให้ถึงความจริงด้วยกันใจจะไม่จริงนั้นไม่มีเลยต้องจริงเป็นลําดับลํำดับไปนับแต่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราก็พิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปก็พิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นเป็นความจริงชัดเจนลงไปอย่างรวดเร็วเป็นลําดับลำดับเมื่อวันนี้ก็เห็นความจริงวันหน้าก็เห็นความจริง คราวนี้ก็เห็นความจริงคราวหน้าก็เห็นความจริงความจริงต่อความจริงได้ผสมกันเป็นลําดับลํำดับแล้วความจริงจะมีกําลังพอตัวได้หรือไมเพราะทุกจริงจะมีความเจริญขึ้นไปต้องอาศัยการส่งเสริมบํารุงเสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วย่อมเป็นเช่นนั้นก็เราที่จะน่าให้ถึงความจริงอยู่เช่นนี้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่โดยถูกต้อง ก็ยอมจะเห็นความจริงมาเห็นความจริงลงไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องพรนะละคือความคดความกดถ่วงจิตใจที่เรียกว่าอุปทานนั้นจะค่อยเบาไปเป็นลำดับลำดนเห็นความจริงแค่ไหนอุปทา น, นหมดไปแค่นั้นเห็นความจริงอย่างถึงที่หรือยอย่างเต็มที่อุปทา น, นก็ถอนอย่างถึงที่เหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งเช่นส่วนร่างกาย เห็นให้ถึงที่ตามหลักความจริงดังที่อธิบายผ่านมาแล้วกิดก็ย่ำถอนจากความเป็นเจ้าของโดยอุปทานเป็นเจ้าเดียวได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการพิจารณาส่วนร่างกายนี้ที่ทันเรียกว่ารกายกายานุปนัฏฐานจึงเป็นบทบาทสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ แต่ความที่ถูกจริญจิตใจกับอาการใด น, นั้นขึ้นอยู่กับจริตของผู้พิจารณาในขั้นเริ่มแรกต่อไปหากจะกระจายทั่วถึงกันเต็งไม่ว่าเบื้องบนเบนืบ้องล่างข้างหน้าข้างหลังจะรวมเข้าสู่หลักความจริงของปัญญาที่พิจารณาโดยชอบทำแล้วเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะฝุนตัวไปได้เมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นตามหลักความจริงอย่างชอบทำแล้วไม่มีเกลียดตัวใดจะ ฝื้นตัวเข้ามาขันแยงฝุดหน้าปัญญาที่เป็นความชอบธรรมนั้นให้กลายเป็นมิชชาทิฏฐิไปไม่ได้สิ่งที่เคยเกิดทวงจิตใจก็จะต้องถูกถอดถอนออกเป็นลำหนักลำหนักใจที่เคยหยุดใต้อำนาจของอุปาทานที่ครอบเ อ, อาไว้ก็จะถอนตัวขึ้นมา นี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างมีอธิบายอย่างรวกรแะแท่านทุกฝั่งทั้งหลายเลืพิจานาเราจะแยกออกตามเป็นอาการอาการแยกออกไว้เป็นกองเป็นกองก็แล้วแต่ความแยกคายของปัญญาของแต่ละท่านและแต่เรณนใสัยจะทําให้เหมาะสมกับตัวและเป็นที่ถนัดใจอย่างไร ผลปรากฏขึ้นมาจากการพิจารณาโดยอุบายที่ถูกเฉลี่แต่ละท่านละท่านหรือแต่ละหลายหลายนั้นเป็นอย่างไรบ้างย่อมจะทราบได้ภายในตัวเองแต่การพิจารณานั้นไม่เพียงแต่พิจารณาครั้งนี้แล้วผ่านไปหากยังไม่เสร็จยังไม่สิน้นยังไม่พอกันกราบใบก็ต้องพิจารณาไปจนถึงความพอเช่นเดียวกับรับทานอาหาร รับทานจนพอเราอยากเข้าใจว่าเพียงคําหนึ่งแล้วเป็นกี่พอคานี้หนุนคานั้นของ น, นั้นหนุนคานั้นจนถึงความพอดีแล้วธาดุํ้อมาตภายในตัวเองการรับทานก็เป็นอันเหมือนยุติการนมางด้วยความพอเป็นเครื่องตัดสินมีการพิจารณาสภาวธรรมที่มีอยู่รอบตัวของเราก็ย่อมมีการพิจารณาเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้ว ก็ยุติกันได้ส่วนไหนที่ยังไม่พอพิจณาสวนั้นเข้าไปส่วนร่างกายที่เรียกว่ากองรูปนี้พอเรื่องกองเวทนาที่เกี่ยวกับกจิตใจโดยเฉพาะก็จะเป็นเชื่ออันหนึ่งซึ่เกี่ยบเหมือนกับว่าเชื่อไฟ ป, ปัญญาจะต้องรุกลามเข้าไปซึมซาบเข้าไปเป็นลำดับันึ่ ทุกที่เกิดขึ้นภายในใจมีมากน้อยปัญญาย่อมพิจารณาตามเข้าไปจนถึงจุดที่เกิดของทุกเวทนาได้แจัดจังสุขที่เกิดมากน้อยภายในใจปัญญาก็สามารถจะพิจารณาเข้าจนถึงจุดเหมือนกันสัญนยาสังขารมิญญางแต่ละอย่างละอย่างนี้มีจิต เป็นรากฐานหรือเป็นต้นสิ่งเห น, นี้เป็นสิ่งก้ารส้างขาวเมื่อจับกิ่นแล้วตามกิ่งเข้าไปก็ต้องถึงลําต้นถ้าเราตามด้วยปัญญาจะต้องถึงลําต้นถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้มีเป็นปัญญาประเภทหนึ่งหรือขั้นนะปัญญาขั้นต้น หมายถึงการพิจารณาส่วนร่างกายปัญญาขั้นที่สองพิจารณาน า, ามธรรมประมวลเข้าไปถึงใจปัญญาขั้นที่สามพิจารณาใจเลยเพราะรวมตัวลงไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องพิจารณาที่ั่นความทราบชัดในสิ่งทั้งสามนี้ก็ย่อมเป็นเครื่องตัดสินโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับลำหนึ ทิจารณาส่วนร่างกายพอแล้วใจยอมทราบผอนตัวออกมาหมดความกังวลเกี่ยวข้องที่จาจรณ า, าอาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขานยินยานเข้าใจชัดแล้วก็อยอมหายสงสัยนี่เป็นปัญนาขั้นที่สองขั้นที่สามก็ยังเข้าไปถึงของอาการทั้งสี่และห้าคืออุปขันซึ่งเป็นของอย่าง เกิดขึ้นมาจากนั่นเป็นสิ่งสำคัญขั้นนี้เป็นขั้นที่ละเอียดอยู่ไม่นอนหากว่าไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้แสดงฐานให้ทราบไว้ก่อนบรรดานั่นท่านนักปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึงจุดนี้แล้วรู้สึกจะลืมตัวคือเทลินอยู่กับความสุขความ สำราบางใจในจุดนั้นนี่จเรียกว่าละชั่วได้แล้วมาติดตีก็ถูกในจุดนี้ละบาปได้แล้วยังบุญคือความสุขความสบายู่ในจิตนั้นแต่เมื่อรวมแล้วท่านเรียกว่าเป็นสมมุติด้วยกันบากก็เป็นสมมุติบุญก็เป็นสมมติคือความสุขกับความสุกขทั้งสองประเภทนี้ที่อาศายัยจิตเกิดขึ้น นี้ทันยกักว่าเป็นสมมุติถ้าต้องการจิตให้เป็นนิมมุตต้องที่จะนาแยกหรือให้รู้เท่าทั้งสมมุติทั้งสองนี้คือสุขกับทุกข์มันเป็นเบธานาที่เดียวกันอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตรับร้อมอยู่ภายในจิตรือรมคืนกันอยู่กับจิตในเมื่ อ, อยังแยกไม่ออ เมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าถึงสุกนี้ให้เห็นทั้งสุขที่ปรากฏขึ้นเป็นส่วนละเอียดทั้งทุกข์ที่เป็นของคู่กันปรากฏขึ้นอย่างละเอียดเช่นเดียวกันโดยทำนองที่เราพิจารณาสภาวะธรรมส่วนอื่นและจิต ด, ด้วย เราจะว่าแต่เพียงเมตนาคือความสุขความทุกเฉยหากจะมีส่วนละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเราก็อาจจะไม่สามารถเพราะนั้นเพื่อความแน่ใจให้พิจารณาลงไปด้วยความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ยังเหลืออยู่ก็ให้เหลือสิ่งใดที่ไม่เหลือจะขาดสะบัน้นไปหมด กับสิ่งทั้งหลายที่เคยพิจารณาแล้วผ่านไปผ่านไปหรือสิ้นไปสิ้นไ ป, น, ไปนั้นก็ขอให้สิ้นไปส่วนในที่เหลือก็ให้เหลือฉะนั้นสิงอย่างลงที่กิจนั่นเองเอากิจจะเป็นสิ่งที่สูญสิ้นไปเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายที่เป็นประเภทของกิเลสนั้นก็ให้สูญไปแต่ยังอยู่ก็ให้ให้รู้ตามหลักความจริงไม่ต้องรู้ได้ด้วยการคาดคะเนนี่ปัญญาจริงก็ได้วางตัวจะได้วางตัวลงอย่างเป็มที่ในเวลาเานั้น ไม่ต้องแบ่งสู้แบ่งรับกันถ้าหากว่าจะแบ่งเวทนาไปส่วนหนึ่งคือสุขทุกข์ไปส่วนหนึ่งจะแบ่งจิตไปส่วนหนึ่งนี้จะมีการแบ่งสู้แบ่งรับอาจจะเป็นเหตุให้เสียค่าหรือเผลอตัวทั้นประมวลลงมาหมดเอาให้แหลกด้วยกันคือหมายคำว่าพิจารณาให้รอบหมดให้รู้ไปหมดเอาอะไรจะสูญไปด้วยกันก็ให้สูญไปหมดสิ้นไปหมดจะไม่มีความรู้สึกปรากฏอยู่เลยก็ เพราะว่ามันดับไปด้วยกันหมดก็ให้รู้ด้วยปัญญานี่เองนั่นปัญญาได้รู้ได้พิจารณาลงอย่างเต็มที่ไม่มีการย่อห ย, ย่อนผ่อนตัวแล้วจะได้เห็นความจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ดับลงไปแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับหมดแล้วนั้นที่นี่ไม่ดับนั่นแหละที่ท่านเนี่ยเป็น บ, บริสุทธิ์นั่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านกลับทะรู้กิเลสชินไปหมด ธรรมชาติที่รู้ว่ากิเลสชินไปนั้นเลยตาเป็นผู้บริสิทธิ์และอย่างเต็มที่มีการพิจารณาเพื่อจะตัดความรักความสงวนอันเป็นส่วนสมมุติซึ่งมีอยู่กับจิการให้หมดชินไปกินไม่ควรจะสแสวงสสวิือสะสงวนสิ่งใดไว้พิจารณาลงไปให้เต็มที่ยังไ น, นก็ย่อมถึงความกินอย่างเต็มที่ ไม่มีสิ่งใดจะมาปลอมแปลงหรือเป็นของแสดงแจ่ตนเองหรอกอีกอแจกตนเองเดินอีกต่อไปนี่ท่านเรียกว่าจิตสิ้นพะยศะจิตหายจากโรคภายในใจแล้วคืออาสวะเพราะอำนาจแห่งธรรมโอสถถ้าได้หายอย่างเต็มที่แล้วเรียกว่าหมดความขนำ โรคกินนี้รักษายากมากไม่มียาขนาดใดไม่มีหมอคนใดแพทย์คนใดจะมีความรู้ความฉลาดบรรดาแพทย์ทั่วๆไปที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากห้อเอกคือพระพุทธเจ้ายาเอกคือธรรมโอสถเท่านั้นจะ แ, แก้โรคประเภทนี้ให้หาย เรื่องเกิดเรื่องตายในภพในชาติที่เคยเป็นมามีกี่มากน้อยจนตัวเองไม่สามารถจะรับอ่านดังนั้นก็เป็นอันว่าได้ยึติกันในขณะที่กิดตดวงนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกับตนทำความกังวลตลอดมากลายเป็นนิบัติ ขึ้นมาภายในตัวเองนั่นแหละที่อยู่ที่ไหนก็สบายตามเรื่องของโลกเ็าย่อมมีการบกพร่องขาดเขือนสมบูรณ์นี่ซับเปลี่ยนกันไปกันมาตามวิสัยของโลกแม้ที่จุดพลาดขันของเราซึ่งเป็นโลกอันหนึ่งอยู่ภายในตัวเองก็ต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่อยู่ต้านหน้ามันก็ปัญชัของของเราซึ่เป็นเจ้าของ แต่ธรรมชาตินั้นจะไม่เอียงๆไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งข้างนอกและข้างในมีความคงที่อยู่ด้วยความพอตัวสุขโตจะคิดออกไปก็ไม่ทําความเกี่ยวูกี่พันตัวเองอยู่ที่ไหนก็สมาย เหมือนอยงคนไข้ที่หายจากโรคแ ล, เ, ลเวลาที่กำลังเป็นไข้นั่งหนักในยาบททั้งสี่จะไม่มียาบทใดเป็นที่สบายสำหรับคนไข้พอเมื่อโรคได้หายนาวการเป็นปกติคนไข้ก็สะดวกสบายมีความยืนหยุ่นแข็งไก่ประกอบหนักปีการ ง, งานได้อย่างสะดวกสบาย จิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอิสระเสรีแล้วก็ยอมเปลี่ยนทีนั่งเหมือนกันแม้จะดีเอาสายขันอยู่ก็าตามขันก็ทราบว่าขันไม่ได้หลงว่าขันนี้เป็นอื่นเป็นใดไปอีกเความเปลี่ยนแปลงก็ทราบตลอดมาแล้วยังทราบยังยังทราบอีกว่จะเปลี่ยนแปลงไปถึงทีดจุดของสมุมันหนังเมื่อตัวเองไม่ทำความ ควลไปยั่วยวนหลอกลวงตนเองแล้วไม่มีอะไรจะมาหลอกลวงได้ในโลกสําคัญจริงๆก็คือเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนี่เป็นจริงสำคัญเสกสรรปั้นรอขึ้นมาหลอกตัวเองจนไ ด, ด้ให้โกรธให้เกลียดให้กล้าให้กลัวอยู่นั้นแหละอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องเฉยๆไม่มีในจิตนี่จะเรื่องหลอกลวงทางนั้น เมื่อได้ไม่ได้ทำละรู้ซักพอบออกเรื่องเหลานี้ออกให้หมดแล้วจิตจะเฉยด้วยความรู้รอบดูด้วยความสบายไม่น่าไม่ว่าจิตของไข่ต้องเต่เช่นนั้นนี้นขอให้ทันนักปฏิบัติจงทำความสนใจในสิ่งที่มีคุณค่าของเรามนุษย์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ แยกออกไปอีกในจิตใจเป็นของประเสริฐพยายามทําแต่เราให้ประเสริฐด้วยหลักธรรมปฏิบัติตนให้ชอบเห็นก็ให้ชอบทำได้ยินให้ชอบทำอย่านําสิ่งที่เป็นข่าศึกเข้ามาเพื่อแงสงจิตใจผสมชื่อว่าเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข่าศึกต่อตัวดีตลอดเวลา มาได้กลับเป็นตรงข้ามก่อข่าศิษย์เจ้ตัวเองดูที่ไหนก็สมัยถูกถึง้งอย่องนักบวชนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียกไม่มีงานการอะไรที่จะยุ่งเดี๋ยวนี้วุ่นวายน่นแต่ท่านที่เป็นครรวารก็ยังมีความสนใจคใา้ต่อทำระอทุปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัติ นักบวชดด้วยแล้วยิ่งมีหน้นนาที่อันเดียวทางนี้ก็ควรจะกล่มออกกล่มใจหาเราได้มีผู้สนับส น, นุนส่งเสริมเราให้ได้ทํางานเป็นเม็ดเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมาขาดตก บ, บกกองอาหารสถานที่อยู่ท่าสําหรับสมณะบริโภคท่ายอยไม่มีอะไรบกกองหากจะบกกองบงังเราก็ให้สมกับว่าเราจเจริ่ม อั น, นี้ตังทุกข์ของร่างาประจํา ต, ตัวอยู่ตลอดเวลาเรา่วรจะเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีขึ้นหรือเสื่อยไปหรือหายไปบกคล้องไปอะไรบกคล้องก็ไม่สําคัญเท่าความประพฤติเพื่อทางที่ดีของเราบกคล้องสิ่งนี้บกคล้องทําความเดือดร้อนจากตัวเองจริงๆทั้งเกลียดดูอันนี้นี่เป็นของที่มีค่าทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อประหามาก็เพื่อประดับอันนี้ ผู้นี้ได้รับสิ่งที่ประดับโดยชอบทำเนียรจะเป็นความสุดความเจริญกำลัง น, น, นั่นในอวาสานของคำเนี้ร์เเห็นว่าสมควรเจลยมา